ส, สิ่งนี้สิ่งนี้ท่อาจารย์อาจารย์พ่อาาเคสไ ด, ไ, ดได้ได้ได้มีมีแนะนําในส่วนนี้ด้วยนะผมไม่ทราบเน่รู้แต่ว่ามีทั้งหมด14 14 14จังหวัดหรือจังหวัดแต่ว่าไม่ไาว่าเรารู้สิ่งนี้ไปเนี่ยเพื่ อ, อเพื่อประโยชน์อะไรในการที่เราเา็ร<อ>ู้ของการที่ทีเคลื่อนไปไปคร1สิบส่าเนี่ยประโยชน์นของการที่รู้เนี่ยเพื่อประโยชนอะไรกัน คือเราอาศัยความขึ้ื่อนไหวอาศัยจังหวะเพื่อจะมาดูการดูใจทีหนึ่งทีหนึงที่จังหวะจังหวะเนี่ยเป็นการหยุดไอ้วัดตัดพยายามตัดไอวัดตัดอันนี้เพื่อมันขาดออกจากกาันให้มันหยุอดอะธรรมดาขีดใจแล้วมันให้หยุดเลยนะมันคลี่เป็นสายเลยเลยนะตอนนี้พอเรานี้พอเราสร้างดูด้สึกยางีงหยุดแล้วนะนตัดแล้วนะเอาขึ้นมาทีแล้วดูเนี่ยมันหยุดแล้วมันตัดนะนะเอาเข้ามาที อ่มันหยุดแล้วมันก็ตัดนะอย่างนี้นะอาศัยอันนี้เพื่อมาดูอันนี้เป็นกางฝุนขันนะแต่ธรรมาดาเราไม่ต้องขึ้นหอยเรก็ดูเ็นเป่ไงเห็นหยุดยพักยู่ยยยหยุดยสงบมสะอาดหนะอ่าไดสะอากไนะมาดูนั่ก็เป็นการฝแต่อย่างใั้นมัใจมันหลอใ่อันนี้อันนี้นนช่วยำกำจัดอีกที ม, มันมันมีอะไรเนี่ยจะพูดยังไงล่ะเป็นป็นุศลุายใช่ไหมเป็นกุศลุบ ใ, ใช่ใช่ใช่ใช่ใชอาศัยอันนี้อาศัยความเคลื่อนไหวนี่เพื่อจะมาดูนะให้ดูได้หลายครั้งอะ่ะอะหมายถึงเอาเข้าออทีออกทีต้องสิบสี่ครั้งว่างั้นนะ่ะนะเราก็ได้ดูสิบสี่ครั้งเลยเอารู้บ้างไม่รู้บา้าบางครั้งไม่ใช่รู้ได้แั่ครั้งน่ะน่าสิ้นหวังเออ แต่คุณจะรู้ทุกครั้งเลยอ่าเนี่ยสติตอนนี้จริงก็ต้องค่อยๆทำต้ใช้เวลาเห็นไหมใช้เวลานะแต่หล้งพ่อเนี่ยรับรองเห็นตลอดเลยเมฝึกมาใช้เวลานานมากเลยหลวงพ่อบอกว่าหลวพรู้ตลอดนี่มันถว่าได่ยากกวสี่ยืนนั่งนั่งนอนที่เราไม่ ใชนบบใช่ารู้ตัวรู้ตัวหมดนแะแต่นอนอยู่นี่จะพลิกตัวเป็นยังไงนพลิกยังไงทีจะนอนอยู่คนเจียงนี่มันจะตกเตียงหรอเปล่าใช่ไหมหลบอยู่นั่นแหละแต่หลับแบบรู้อ่ะนะหรือจะขยับเนื้อขยับตัวหน่อยก็รู้อ่าสำหรัขยับยังไงนะขยับจะสบายไม่สบายนะมันไปแก้ไขมันสบายขึ้นนี่ประจากก็เบียดอันนี้ก็าตดอลฝึนะ ก็คือดูว่าเ่ยเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ที่ทำมานะอันอย่างนี้โอ้โหดีจริงๆถึงเยาอยากให้บุคคนเข้าใจอย่างนี้พอไหมเวลาที่เรากำหนดสติดูอย่งนี้เกี่ยวกับงานเร่องต้องมาสติดูนี้เป็นพิจาราคันหน้าโลกที่ายแยแยกคาดขันข ไม่ต้องเอาแค่ดูเอาแค่นี้เอาที่รู้ที่เห็นเนี่ยมันจะไปแยกแยะน่มันมันมันเป็นคามรู้แสงดีเป็นเป็ความที่ไม่ต้องเอาเลยเอารู้มาให้ความจริงที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้แล้วดูไปเรื่อยเรเราจะเข้าใจอ่ะและทีหลังเราก็จะรู้ไอะไรขันห้าืออ๋อรูปเวทนาคือเห็นนี้อย่างนี้แล้วดีเรายังไม่ชานาญนี่เราไปไปแยกไม่ไม่เข้ใจหรอกอย่าไปเสียเวลานะ ผมก็ต้องการจะฝึกให้เห็นการเกิดจับความ่อยดีนะอรัผมส่งผมผู้อนผมจะต้องดูที่นามใจกลางไก่ถ้าดูทีู่น่มันไม่สามารถใางไใช่ชาะปัญญาอันี่มันเป็นอัการนียือให้ดูที่นามไม่ได้นามนามนามนะมันเราต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่น่า้เื่อนไมันก็ปวด้ลยปดเ่ยงราบนี้ใช่ที่เราดูตอนนี้จะ ใช่คอับเดี๋ยวนี้เราดูเป็นไงจิตหยุดหยุดไหกหยุดไหมพักหรือไม่ได้พักใจดีขึ้นไหะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมีดูเยอะเลยนะไม่รู้สัมผัสดูที่นามเลยแล้วอเดือดรูปลูกนามี่เห็นมจะยากกวานั้นฮะนู่นจะเห็นแค่ตัวนามไม่ใชเรื่องนี้ควรจะดูไปพร้อมๆใช่รู้รูปรู้นามด้วยบางทีสวยมากเขาจะแนะบอกให้ดูลูกก่อนอย่าเพิ่งไปดูนา แล้ทีหลังถ้า้รามารูน้ำอยู่แ้าเราดูพร้อมๆอยูนี้รู้ได้แล้วมันไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วไปดูเทียอย่างทีหลังก็ต้องมาตรวจดูน้ำอีกนะใจละอันนี้บางคนจะรู้แต่ความเคื่อนไหวอย่างเดียวไม่ดูใจแล้วมันแก้ไขได้มัก็ทุกคนเจอที่ใจอ่ะมันไม่เกิดที่มืออ่ะใช้ไผมเข้าใจว่าจุดนี้ให้สติเนี่ยมันมีความสองูต้องถูกองถูกต้องถูกต้องถูกต้องมูกตู้กต้อกต้อนถูต้องาูกต้องถปกต้องถอ้ถูกต้องตอ ค ism, ือตอนนี้สายตาเราไม่ดีใช่เราจะทำใสายตาดีขึ้นที่เราเกาะติดอยู่จับติดอยู่เราไม่หลงลืมเลยเพราะค้าปลาคองใช้รู้อยู่ครับทีพอสายตาดีจะเห็นธรรมะดใช่ใโอเคใจผมเห็นดกินพอท่านนี้คือตอนนี้เราฝึกสติเนี่ยฝึกมากพอมาก่อเรามากลับพิจารณาพวกที่เป็นที่เป็นขันหรือพวกอนิจจังที่สามารได้เห็นชัดเนี่ย เลยเข้าใจเข้าใจชีวิตและเรื่องหมหมดทุกแง่ขึ้นคือรับผนิพพานกรณีทีราเปิดรับูลลักษณะแบบนี้เ น, เ<อ>อนอี่ยไปดูที่เราไม่มีเป้าหมายมันจะไม่เป็นเพื่สเูน <hair> ย <steps out> ์รัผลนิพพานถูกต้องแกรณเราสุดเนี่ยแล้วเราก็น้อมน้อมจิตไปเนี่ยเพื่อทีพัฒนาอ่านคันท่าหืออะไรบ้างงาหรือกาวิจารณ์เป็นยังไงเไงอะไรเป็นยังไงเพื่อจิตเราในความแน่วแน่ตรงถึงไจุดนี้หรืออัการอย่างจริงจังของใคร้เรียกเกิดการจารใจ เกิดว <getan? S 1> ิดาคะเกิดนิโรคาะแล้ะก <Yes. S 2> ็ส mm ุขภาพเป็นผ่านใช่ๆช yes ่รักเข้าสู่ผ่านผมบองลักณะในเน้นๆเประเด็นนี้แลรวะที่ทีิท่านมุนท่านได้พูดอย่างนึ่ตรงในแง่ที่ื่องสติเกิดไปเนี่ยจุดหมายสำคก็คือเพื่อนำสติที่เราไปอยู่เนี่ยเพื่อนาปัญญาไปพิจารณาตาให้ของแท้่แล้วก็พิจารณาเรื่องของรูปกัญญานในเรื่องของฐานธาตุ้นในเรื่องของนิจจานาจแลเรารู้แล้วเกิดความจางช้าเกิดวิดาคะเกิดนิโรค่ะแล้วก็เข้าสู่ผา มองไปเนนี่เหมือนกันข่คาถามาดูใจไม่ดูยังไงอ่ะดูใจดูยังไงฮะมีรูปเห็นรูปกับเห็นนา้นี่เป็นยไงเห็นนาเป็นไงฮะเดี๋ยนี้เป็นไงรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกสบายไม่สบายกันเอาน่ะอ่าเ่ยละน้ำะาเวลาเรายกมือ อ่าก็เห็นเห็นวัตถุเห็นอันนี้นี่จะเป็นวัตถุเห็นอาการที่มันเคลื่อนนะจต้องดูว่าใจใจรู้สึกยังใช่ใ่ไม่ใช่ไม่ดูที่มือเาใจก็เป็นไงสงบไหมเป็นไงพรรู้สึกสงบไหมนั่นนามนยหรือมันไม่สงบเราก็เห็นไม่สงบก็เป็นนาม ไปยังเห็นความเกิดดับเกิดดับยนดูไปดูเรารู้เท่าทันนะไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะดับนั่นนิพพานอันนี้ยังมีเ่ะมีทุกมีสุมีทุกมีสุขวเอาละสบายมากไปสบายมากสงบมากไปสงบมากนั่นยไม่นิพพานใช่ไหมตอนนี้เราดูไปเรื่อยเๆื่อเราก็จะเข้าใจมันจะชั่เชี้ไเรื่อยสติเรมากเข้ามาคอยเรารู้เท่าทันมาเจ็บกั้นมาเจะบกั้นมาเจ็กั้ จิตเราจะปูกถ่ายน้อยเท่าน้อยเท่าความเกิดดับมันยังไม่มีเกิดไม่มีดับผลที่สุดคือไม่มีเกิดไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับอันนี้แหละนี่พานว่าเนี่ยตายแล้วไม่มีไม่ไม่ไปเกิดดีนะเอาเลยไปเกิดอ่ะที่เกิดก็ไอจิตที่เกิดดับนี่แหละเราไม่ได้ตายแล้วที่ปัจจุบันที่เราเกิดดับนี่ก็เกิดอตลอดเวลาไม่รู้เกิดกี่ครั้งนับไม่ั่วเลยใช่ไหมอ่าตายเกิดตายเกิด พอคิดเรื่องนี้เอาเดี๋ยวไปรู้สึกกับเรื่องนั้นอีกและเดี๋ยวไปยินดีนะเดี๋ยวไปยินร้ายกับเรื่องนั้นเปลีไปเรื่อยวันๆไม่รู้เท่าไหร่แต่นี้เราก็หัดเองเรื่องนี้อย่าให้มียินดียินร้ายกันก็หนึ่ก็เลยอยาให้มันเกิดยินดีเกิดยินร้ายก็ค่อยๆค่อยๆแกะไปเรื่อยๆเรื่องนเอาที่ง่ายๆก่อนนะเรื่องนี้อย่าไปรู้ล่วงหน้าอะไรอะไรเราเอาที่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เห็นเห็นได้เนี่ยแก้ไขตรงนี้ไปก่อน ค่อยๆทำค่อยทำมันถึงว่างเปล่ า, <c oughs> างเปลยแล้วความรู้สึกง่วงเกิดจากอะไรตติดหอน่ะความง่วงอหรอเละง่วงเราไม่รู้ตัวอ่อนเราอุบายแช่ไหมอุบายเหรอบายเดี๋ยวนี้ทา่านเดี๋ยวนี้ง่วงนะเอาดู ไ, ม ไ, ม ง, ง, ไ ง, ง, งไม่ง่วงไม่ง่วงรู้พาม่ง่วงเนี่ยดูทีไรเห็นาพามรู้สึกไม่ง่วงไม่ง่วงง่วงไม่ได้ แต่นี้ส่วนมากเราทำไปเพลินเพลินเพลินมันจะข้อับเดินยเราไม่รู้ตัวบิดจ่นนะนะไม่ให้เห็นฮะจมม่จาง่วงนอนิดจมูกแู่ให้จเขื่อนี้นะให้ต้องมีสตินะแต่ส่วนมากเราอะเพลินอ่ะให้ข้ามมันไม่อยากจะรู้อะไรอ่ะนั่นแหละมันจะน่วงละ อ้รู้ตัวตื่นตัวอยู่เนี่ยอาตมาเนี่ยบางคืนเนี่ยมันไม่เลยหลับเลยทั้งคืนนะจิตมันตื่นอยู่อ่ะมันจะไม่หลับอ่ะมันไม่หลับก็รู้ไม่หลับอะแต่มันก็ไม่งงมันก็นะมันก็ไม่เคพี้ยนี่อะนี้เราระวังนะบางทีเราฝึกสติมากๆฝึกเรื่อยๆนะอย่ารู้สึกนอนไม่เคยหลับอย่างเนี้ยเราก็อย่าไปกังวลกับมันอีกละก็ดูมันอะโอ้มันตื่นอยู่มันรู้อยู่ ออกไเดินจงโ ง, งสร้างยั่วมานะอ่าดีที่สุดบันทีเราย็คามอยากจะหลับพูเดียวพรุ่งนี้เช้านอนไม่หลับยจะเพียรพรุ่งนี้ดิคิดไปเรื่อยๆตกตัวแตนี่เป็นเนี่ยหละทุกเรื่องมีสร้างทุกข์ก็ไปอย่าไปกลัวมันจะเป็นนะนะ <c oughs> นี่บางทีเนี่ยหลวพ่อเนียเดี๋ยวนี้บางทีบางเชินเนี่ยบางทีถ้าไม่นอนน้อยมากเลยมือเรหลับได้ทัช จริงๆมัรู้จักสามชั่วโมงรู้ได้หรือเปล่าแต่บางครั้งก็ได้มากบางครั้งบางทีไม่ได้หลับเลยบางทีสังเกตแต่ก็นอนอ่ะนะแต่นอนพักผ่อนเลยาพักผิอนก็ดูสิดดูวิเชียช์แต่ไม่ไม่หลับป่ะแต่สบายสบายก็มันนี่นะก็เป็นไปด้วยมันสบายแล้วอย่าไปมิตกกังวลในเรื่นี้ในเรื่องนี้สาคัญบางครั้งมันดีอยู่แล้วมันตื่นอ่ะเราก็อยากแย่งเงินหลัอีก อันนี้ก็ต้องดูอ่ะโดยตามเหตุแล้วแต่เหตุปัจจัยปัจจัยไงเราก็ต้องยอมรับอะไนั้นใช่ไหมแล้วก็พอใจวก็ดีไม่รับก็ดีรูปอ่านหนังสือมันอะไรบ้างนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันกหรับได้อาจารย์อาจารย์ที่บอกว่าแบาถ้ารู้ได้ตลอดอนะนะเี้ชค่ะรู้ได้ตลอดนะนะเจ้ชค่ะหมายถึงว่าก็เป็นเป็นพระอริยเจ้า จริงใจแบบนั้นรู้ได้ตลอดส่วนส่วนก็ยังรู้ไม่ได้ตลอดอันนี้หลายทันทีเราก็อย่าไปติดยึดเองคาพูดใช่ไหมหมายถึง่็ตามหลักเขาบอกว่านี่ยสติในขั้นตอนหลักพระรหัสนะแต่นี่อย่าไปเข้าใจมาบอกว่ารู้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติพระรหัสงดเข้าใจแบบนั้นคือไม่มีทุกข์พอแล้ไม่จำเป็นอะไระเป็นพระรหัสนิยนทุกอยู่อ่ะไม่จำเป็นอะไรดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเป็นอั่นแหละไม่ไม่เป็นเลยยังไม่เอาเล เอาควาไม่มีทุกข์จิตเราไม่มีทุกข์ขนาดดีที่สุดมันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเอาตรงนี้ไอ้ไหนเขาสมมุติขึ้นว่าเนี่ยจิตขนาดนี้อย่างนี้ น, นี่เรียกว่าโสโดาสกิทาคาอนาคาวาหันแล้วเราปฏิบัติให้จิตติดต่อเลยจะเข้าใจเลยอ๋อเนี่ยมันถามมานะสโสดาคืออย่างนี้สกิาสาทาคาคืออย่าง น, นี้มันละอะไรได้มันละอะไรได้ไหมมันจะขันตออเลย ต้องเตะอย่าไปรู้เรื่องนไมได้หวพ่อเทียนพูดอดียูเ่องหวงพ่อเทศกนพเทียนมาฟังนะ <c oughs> อย่าไปรู้เรื่องนามใควจะรู้จะ <c oughs> เกิดญาณเกิดปัญญายะเข้ า, าใจเอาที่ปัจจุบันรู้ที่ปัจบันเดี๋ยวนี้ แ, ลแหละใหามันสมาย่าใจดีใจดีว่าดุไม่เยกแยะเมื่อไหร่จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้ใช่ไหมหรือเมื่อไหร่จะพ้นทุกอย่างนี้ นี่ไม่ได้เรื่อบางครั้งที่งเดาดูเดี๋ยวนี้สติใจสบ้ายแล้วไม่มีทุกข์นะคนที่เดี๋ยวนี้แค่นิดเดียวเดียวแค่โม่แล้วเดี๋ยแค่ช้ามาดิบโ่อ่าประสบที่สุดแต่ตกอคิดแค่นี้จรงไหมดีมะนะเอย่าไปเอามากกว่านี้แล้วมัจะค่อยๆมาเองนะหรือเราอยากจะหลุดพนะ้นเนี่ยเราอยากจะพ้นทุกข์เอเราอยากจะไม่มีทุกข์ไม่ต้องไปคิด ยิ่งไม่ทนยิ่งไม่ยิ่งยิ่งทุกขเอาเดี๋ยวนี้สบายใจแล้วไม่มีทุกข์เดี๋ยนี้สบายเลยได้แค่นี้ที่จริงก็จบไปตรงนี้แต่นี้เราก็ขับขวางอย่างนั้นเถอะเอาเถอะเถอะไปเราเริ่มต้นใหม่ใจไหมไม่ได้ทําอย่างนี้นะแล้วได้ผลนะก่อคิดโอ้ยจริงว่าโสดายเราได้เป็นโสดายจรนะอล้จริงก็ไปพูดคุยดูที่เขาอยาก เขออาจะเขออาจะให้เงินมาให้ไหมเดี๋ยวไหเขออาจะเอประเมินให้เราไมว่าเรื่องนีเราเป็นผ้าโสดาหรื อ, อย่าง <c oughs> ให้ก็ตีราคาให้เนี่ยมันติดค้ำผิดทั้งนั้นเลยอ่ะนะมันไม่ต้องไม่ต้องไปนสนใจอย่างนี้อย่าไปติดคําพูดอย่าไปติดทั้งง่ายเอาที่ตูวเราดิ นะศึกษานี่เข้าใจแล้วเราจะเข้าใจตำาราหมดเลยแต่จะเข้าใจโดยไปทำสอนพระเจ้าหรือที่จะทำสอนจะเข้าใจนะเรารู้จากคิดตัวเราเนี่ยพ่<ฮ>อครับมีเรื่องที่กับเรื่องอาหารอะไรทำนะออ่าหารสมมติว่าเราสว่าผู้เราเป็นคาราว่าเข้าไปรับอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่แบบปูกใจแล้วไม่ปลุกใจ นี่เวลาเัาไปซื้อเราคุณไปซื้ออย่างนี้ถูกใจหรือหนุใจมาขานกันแล้วกคุณจะซื้ออย่างไรเพราะว่าถ้าถูกใจก็ิดใจกีเลสใช่ไหมถ้าไม่ถูกใจก็จะกีเลสแต่เราควรจะขานกันรลยไม่ขานจริงจริงนะไม่จริงทุกคนอ่ะก็เคยเป็นมาแล้วด้วยก่อนก็ไม่รู้อย่างเนี้แต่นี้เราก็ดูก่อนก็ดูความรู้สึกของเราก่อนให้มันปกติก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้เราก็จะแยกแยะออกว่า ควรจะควรจะซื้อแล้วไม่ควรจะซื้อหรือควรกินแล้วไม่ควรกินมันจะได้คําตอบดูบ่อยๆ อ, อันนี้ปกสติมั่ง่ายจะเข้าใจอันนี้ส่วนมากเราไม่ฝึกก็ทํำไม่คามเยชินอะ่ะเราก็ต้องหาอร่อยอร่อยที่ถูกใจใช่หรือเปล่านะถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องอะ่ะเห็นไหมกินเข้าไปแล้วมันเกิดทุกข์อ่ะใช่ไหมมันมีปัญหาทีหลังอะ่ะอันนี้ถ้าเราอินตอกินเวยสติปัญญา ไม่ว่าเลยต้องใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนนะนะดูแล้วดูอีกดูอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกหลายเที่ยวาบางครั้งมันยากนะอู้ดีต้องการอู้ดีมุ้นดีงดูอีกทีที่ดูอีกทีนะดูอีก ท, ทีนะ <c oughs> หายทีนั่นแหะนะนะพิจารณาดูหลายทีว่าเอ๊ะจริงเหรอกจริงเหรอถามอ่ะถามตอกับตัวเองเรื่อยๆแล้วเราจะได้คําตอบแี่ไปถามใครอย่างเนี้ยใครจะตอบได้ เลื่อตัวเราจริงไหมเอ้าออกมาเขได้คําตอบอย่างนี้แลก็อย่างโดนถามเนี่ยก็ใคยเป็นนะไม่ใ่ไม่เคยใใเป็นใช่ตอนหลังไี่ก่อนนี่พอเห็นแหมพอเห็นเฉยๆ ม, มันแหม่น้หลายสอแล้วใช่ <laughs> ยอยากขึ้นมาจนดีเลยเจ๊ะแต่ตอนหลังพอมาฝุ่สติมากๆได้กินอ็อย่างนั้นอย่างนั้น่ะ แล้วบาทีบางครั้งเราอยากอะไรนะเวลาเรากินคิดคินดูสิมันอยากยังไงมันอร่อยตรงไหนลองดูรสชาติมันเปรี้ยวหวานนันเค็มยังไงเราไปติดตรงไหนเราไปชอบตรงไหนดูให้มันเห็นชัดว่ามันอร่อยอยังไงทีหลังพอมันเร่อยากจะอ ย, าอย่างนั้นอีกอ๋อเราก็เคยรีบมันโอ้ก็รสอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะหมดอยากเลยนะเมื่อปีกุฎีสบายก่อนนี่เป็นมันตังี่กว่าปี ฟังสองจองเนี่ยเดี๋ยวตอหลังมันเลยไปติดตามเคยกิน